เรื่องลักดินของสงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิตได้ลักดินของสงแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้งสงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัดิปาราชิกวงเล็บเรื่องที่133งา